เพราะความหมายของอนัตตาและอนัตตลักษณะข้อ ง, องความหมายที่อธิบายทั่วไปดังได้กล่าวแล้วว่าคำอธิบายสามมันของอนัตตาท่านมุ่งไปที่สังฆตธรรมเพราะเป็นการพูดกับมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทั่วไปที่ยังต้องฝึกต้องศึกษาต้องเรียนต้องสอนกันอยู่ยิ่งกว่านั้นขอย้าว่า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 ในสมนุปัสสนาสูตรสั่งยุตินิกายขันทวารวักที่ว่าภิกษุทั้งหลายสมณะทั้งหลายก็ดีพรามทั้งหลายก็ดีเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตามที่มองเห็นอัตตาตัวตนแบบต่างๆหลากหลายเป็นเอเนกย่อมมองเห็นอุปาทานขันเหล่านั้นทั้งหมดหรือไม่ก็มองเห็นขันใดขันหนึ่งในบรรดาอุปาทานขันเหล่านั้นว่าเป็นอัตตากล่าวคือ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 ก็กลายเป็นความปักใจ ย, ยึดถือของเขาว่าตัวเรามีตัวเราเป็นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการยึดถืออัตตามีแค่ที่มีขันห้าและมีเพราะไปยึดมั่นขันห้านั้นไว้ตามพุทธพจน์ในเอตังมามาสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวักว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยอะไรเพราะยึดถืออะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปเมื่อเวทนาเมื่สัญญาเมื่สังขารเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเพราะยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเกิดทิฐิขึ้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา ถึงตอนนี้จึงมาดูคําอธิบายเกี่ยวกับความเป็นอนัตตาของขันห้าแบบทั่วท่วไปที่ท่านขยายความออกไปในแง่ต่างๆแม้ว่าในคําอธิบายทั่วๆไปนี้ท่านแสดงความหมายกันไว้หลายไยยะแต่เราอาจจะเริ่มต้นด้วยคำพีปฏิสัมพิธามักที่แสดงอัตถะของอนัตตาไว้ยอย่างเดียวว่าชื่อว่าเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่มีสาระใช้ศัพ์ บ, บาลีว่า อสาระกัตถนะที่ว่าไม่มีสาระก็คือไม่มีแก่นสารไม่มีแก่นหรือไม่มีแกนหมายความว่าไม่มีสิ่งซึ่งเป็นตัวแท้ที่ยืนโยงคงตัวอยู่ตลอดไปดังคําอธิบายในคัมภีวิสุทธิมักว่าโดยความหมายว่าไม่มีสาระหมายความว่าไม่มีสาระคือตัวตนที่คาดคิดกันเอาว่าเป็นอาตมัน เป็นผู้สิงอยู่หรือครองอยู่เป็นผู้สร้างหรือผู้สร้างสารบันดาลเป็นผู้เสวยเป็นผู้มีอำนาจในตัวเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์คงตัวอยู่ไม่ได้มันไม่สามารถห้ามความไม่เที่ยงหรือความบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปแม้ของตัวมันเองได้และความเป็นผู้สร้างผู้บรดาลเป็นต้นของมันจะมีมาจากที่ไหนเพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซรรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธมีความบีบคั้นขัดแย้งขัดข้องต่างๆดังนี้เป็นอาทิจะสังเกตเห็นว่าความหมายที่ว่าไม่มีสาระคือตัวตนนี้ท่านกล่าวไว้โดยสัมพันธ์กับความหมายว่าดนบันดาลไม่ได้หรือไม่มีอานาจในตัวทั้งนี้เพราะ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 ไม่มีอำนาจบังครับไม่เป็นไปในอำนาจขัดแย้งต่อความปรารถนาพึ่งสังเกตด้วยว่าตามคำอธิบายนี้แม้แต่พระพรมพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้าสูงสุดใดๆก็ตามที่ถือว่าเป็นผู้สร้างผู้บรนดาลทั้งหมดทั้งปวงล้วนเป็นสังขารรวมอยู่ในขันห้าทั้งสิน้นโดยในยะนี้คำพี ร, รุ่นอัตถกถา จึงนิยมแสดงความหมายของอนัตตาว่าชื่อว่าอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจใช้ศัพ บ, บารีว่าอาวสวรรค์ตนทเถนะหรืออวสวรรค์ตนโตแปลว่าเพราะไม่เป็นไปในอำนาจและอธิบายในธํานองว่าไม่มีใครมีอำนาจบังคับตามใจปรารถนาโดยไม่ทําตามเหตุปัจจัยต่อสังขารทั้งหลายว่าสังขารที่เกิดขึ้นแล้ว จงอย่าถึงความทรงอยู่ที่ถึงความทรงอยู่แล้วอย่าชาราที่ถึงชาราแล้วจงอย่าแตกดับจงอย่าบอบสทรมด้วยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลายตลอดจนอ้างพุ ท, พทธพจน์ที่ตรัสในอนัตตลักณนสูตรว่าบุคคลย่อมไม่ได้ตามปรารถนาในรูปและในขันอื่นๆว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้ขยายความว่า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 แต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนมีการเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายเป็นไปโดยอาการที่สัมพันธ์สืบเนื่องส่งทอดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันทั้งภายในกระบวนธรรมที่กำหนดแยกว่าเป็นกระบวน1หนึ่งกระบวน1หนึ่งและไหนระหว่างกระบวนธา ร, รมต่างกระบวนทั้งหลายในสภาวะเช่นนี้มีสิ่งที่ควรกำหนดเป็นข้อเด่นอยู่4ประการคือหนึ่งไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสิ่งนั้นยืนตัวเป็นแก่นเป็นแกนอยู่